คราวหนึ่งพระมหาโมคคลานะกับพระลักษณะลงจากภูเขาคิชกูดได้เห็นอชะคระเปรตนั้นมีอตมภาพใหญ่ยาวมากด้วยจกักษุทิพย์เปลวไฟตั้งขึ้นจากศรีรษะของเปรตนั้นแล้วลามไปจนถึงหางเปลวไฟตั้งขึ้นแต่หางลามถึงศรีรษะตั้งขึ้นจากหางและหัวแล้วลามไปถึงกลางตัวพระมหาเถระผู้เลิศทางฤท ธ, ธิ์เห็นเปรตนั้นแล้วยิ้มแย้มพระลักษณะ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 เมื่อสร้างเสร็จแล้วให้มีการฉลองเป็นการใหญ่วันหนึ่งท่านสุมงคลเศรษฐีไปเฝ้าพระาศาสดาแต่เช้าตรู่เห็นโจรคนหนึ่งนอนเอาผ้ากาสายะคลุมศีรษะเท้านั้นเปื้อนโคลอนอยู่ณศ า, าลาแห่งหนึ่งใกล้ประตูเมืองจึงกล่าวขึ้นว่าเจ้าคนนี้เท้าเปื้อนโคลนคงเป็นคนเที่ยวเตร่กลางคืนแล้วมานอนเป็นแท้โจรเปิดหน้าเห็นเศรษฐีแล้วคิดในใจว่าเอาเถอะ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 ไม่สาธารณะแก่คนทั้งหลายอันไฟเป็นต้นทำอันตรายไม่ได้เมื่อพระคันธกุฎีถูกไฟไหม้แล้วเขาพเจ้าคิดว่าขาเจ้าจะได้สละทรัพย์ทำใหม่อีกคงจะได้บุญกุศลเพิ่มขึ้นท่านทั้งหลายกับเจ้าคิดดังนี้จึงยินดียิ่งนะักดูเถิดดูคนดีมีจิตฝักไฟในบุญกุศลถูกทาลายอย่างนี้แล้วก็หาคิดท้อถอยไม่คิดเห็นเป็นโอกาสได้สร้างบุญใหม่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 แม้พระคันธกุฎีที่ถูกเผาไปแล้วก็คงเป็นเจ้าคนนั้นเหมือนกันข้าพระองค์มิได้มีจิตแค้นเคืองในตัวเขาข้าพระองค์ขอให้ส่วนบุญใิทานนี้แก่เขาก่อนพระเจ้าข้าโจรได้ยินคํานั้นแล้วเกิดความทุกข์ขึ้นในใจว่าโอ้เราทํำกรรมหนักเสียแล้วหนอะเศรษฐีนี้มิได้มีความแค้นเคืองในเราเลยกลับให้ส่วนบุญแก่เราก่อนคนอื่นเสอีก เราคิดประทุษร้ายในท่านผู้ไม่ประทุษร้ายเสียแล้วกรรมของเราหนะักไม่สมควรเลยถ้าเราไม่ขอขามาต่อบุคคลผู้เช่นนี้เทวทันพึ้นตกลงบนกระหม่อมของเราเป็นแน่แท้ดังนี้แล้วหมอบลงแทบเท้าของสถิถีพลางกล่าวว่าท่านขอท่านได้โปรดอภัยแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดอะไรนี่สิถีถามมีอาการพิศวงเป็นอันมาก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 พระมหาโมคลานะและพระลักษณะลุกจากภูเขาคิชกูดเช่นกันพระมหาโมคลานะแสดงอาการยิ้มแย้มํานองเดียวกับที่กล่าวแล้วในเรื่องอชัคคระเปรตณสำนักพระาศาสดาพระลักษณะถามขึ้นพระมหาโมคลานะจึงตอบว่าข้าพเจ้าเห็นอหิเปรตตนหนึ่งมีอัตภาพใหญ่ยาวเป็นอันมากศีรษะของมันเหมือนศีรษะมนุษย์แต่อัตภาพอื่นๆของมัน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 ประชาชนชาวเมืองช่วยกันสร้างบรรณาศาลาหลังหนึ่งถวายพระปัจเจผู้เจ้าใกล้ฝั่งแม่น้ำพระปัจเจกพุทธเจ้าก็าไปบินทบาทในเมืองเนืองนิดแม้พวกชาวเมืองก็ถือของหอมดอกไม้เครื่องสักการะไปสู่ที่บำรุงพระปัจเจพุทธเจ้าทั้งเช้าและเย็นชายชาวเมืองพารณสีคนหนึ่งมีนาอยู่ในหนทางที่ชาวเมืองเดินไปมาสู่ที่บำรุงพระปัจเจผู้เจ้า ชาวเมืองได้เหยียบย่ำนาของเขาแม้เขาห้ามอยู่บ่อยๆว่าขอพวกท่านอย่าเหยียบนาของข้าพเจ้าก็หาสำเร็จประโยชน์ประการใดไม่ชาวนาผู้นั้นคิดว่าถ้าบรรณาศาลาของพระปเจตพุทธเจ้าไม่พึงมีในที่นี้ไซดชนทั้งหลายก็จะไม่เหยียบย่ำนาของเราเขาตกลงใจจะทำกรรมอันน่าหวาเสียวคือการเผาบรรณาศาลาเมื่อพระปเจตพุทธเจ้าออกไปบิณฑบาตในเวลาเช้า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 ความดีเป็นความชั่วแต่เมื่อความดีให้ผลเขาก็เห็นว่ากำมดีเป็นความดี